4ีพระพุทธเจ้าสอนว่าพระนิพพานเป็นธรรมะอันยิ่งวงเล็บเปิด1 3ากุมภาพันสอในวงเล็บสองวงเล็บปิดเป็นบุญเหลือเกินที่พวกเราได้เกิดมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าคนในโลกหลายพันล้านคนโอกาสที่จะเจอธรรมะของพระพุทธเจ้ามีน้อยเหลือเกินกระทั่งคนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนมากได้แต่สมถะและพวกอธรรมน่ะเยอะนะ พวกธรรมะมีน้อยพวกสนใจธรรมะก็ยังไปติดสมถะเสียอีกบางคนไปติดอิเทริตปาติหารเรียกว่าไปเห็นของไม่มีคุณค่ามากกว่ามีคุณค่ามากและเลยของที่มีคุณค่ามากคือพระนิพพานเสียพระพุทธเจ้าบอกพระนิพพานเป็นธรรมะอันยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยนิพพานไม่ใช่สภาวะอุดมคติไม่ใช่สิ่งเลื่อนลอยไม่ใช่ของหลอกเด็กบางคนคิดว่าพระพุทธเจ้าเมคในวงเล็บแต่ง เรื่องนิพพานขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำความดีท่านจะหลอกให้เราทำดีทำไมท่านก็ยังบอกเลยทำดีนะมันก็มีผลดีก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ได้พ้นทุก์สักหน่อยท่านสอนให้เรารู้กายรู้ใจเพื่อเราจะได้พ้นทุก์มันเลยขั้นดีไปลำพังดีก็ทุกอย่างคนดีพอไม่เป็นคนนะปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาใครมันทุกข์ล่ะขันห้ามันทุกข์ กายมันทุกข์ใจมันทุกข์เราไม่เกี่ยวแล้วมันแยกออกจากกันได้มันไม่น่าเชื่อว่าเราแยกขันห้าออกไปเด็ดขาดได้พวกเราหัดกับหลวงพ่อเบื้องต้นหลายคนเริ่มแยกขันออกไปได้แล้วเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายกับจิตคนละอันกันกายป่วยจิตไม่ป่วยแล้วคราวนี้เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่หลงเพลิดเพลินในเวทนาแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่กลุ่มใจเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่จิต ความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงดีใจราคะไม่แทรกรู้ว่ามันไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเห็นกุศลเห็นอกุศลเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเห็นจิตนั้นเกิดดับเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวจิตดีเดี๋ยวจิตร้ายเดี๋ยวจิตสุขเดี๋ยวจิตทุกข์เดี๋ยวจิตเพ่งเดี๋ยวจิตเผลอเห็นนานาชนิดจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลย นี่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกดูลงไปในกายในใจดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าใจร้อนบางคนหัดดูได้สองสาวันเริ่มทุรนทุรายเอดูมาตั้งสองวันแล้วยังไม่ได้โสดาสักทีเลยอะไรมันจะเอาเร็วอย่างนั้นที่หลงตามกิเลสมาตั้งแต่เกิดไม่บ่นสักคำใช่ไหมหลงกิเลสมาตั้งหลาย10ปี1ิปี20ปีห0ปีบางคนหลงตามกิเลสมาเจ8 0ปี พอมามีสติสองวันก็จะเอามรรคผลนิพพานแล้วอย่าโลภมากเลยนะใจของเราคุ้นเคยแต่ความหลงผิดต้องค่อยๆสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกจนมันพอมันถึงจะล้างความเห็นผิดได้สิ่งที่ได้มาคือสัมมาทิฐิสิ่งที่เสียไปคือมิจฉาทิฐิต้องใช้เวลาใช้ความอดทน รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูเข้าทำงานเรื่อยๆไปสงสัยขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเลยบางคนภาวนาแล้วรู้ไม่ชัดบอกหมู่นี้รู้ไม่ได้เลยถามว่ามันเป็นอย่างไรรู้ไม่ได้น่ะรู้ไม่ชัดอ้าวแล้วรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชัดการที่รู้ว่ารู้ไม่ชัดนั่นแหละรู้เรียบร้อยแล้วหมู่นี้ไม่ดีเลยจิตไม่สงบอ๋อจิตสงบแล้วดีเหรอทาไมเอาแค่นั้นล่ะจิตไม่สงบ มันก็แสดงความเป็นไตรลักษ์ให้เราดูได้เท่าเท่ากับจิตที่สงบนั่นแหละเราเฝ้ารู้เฝ้าดูจนกระทั่งเห็นว่าทุกอย่างเป็นของผ่านมาผ่านไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ผ่านมาผ่านไปใจก็เลยไม่เข้าไปคล้องแวะไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตใจมีความสุขที่สุดเลยฝึกนะแล้วจะมีความสุข